บุกทูสาสทรเด็กออกในรถแท็กซี่เอนนาแทกซี่ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะบนวลุสวอคิทักซี่ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ ที่ยไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะการุนาตรงไปค่ะการุนาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะกรการุนาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ ที่ฉันกูเลมัลเด็กสตรนดีเพตสัสดิฉันรีบมีอุ่นใจัสดิฉันมีเวลามีหาวสแตมป์อนารุณาขับช้าลงได้ไหมคะบนวลุเวตุริพรีมัลลาพีดคารุณาจอดรถที่นี่ค่ะ กัลุนารอสักครู่นะคะบอนวลลอาจจะดีเมื่อตอนเดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะมิตุยเรเวนัสขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะบอนวลลุอนี้อาจมีคดีทันตอนดิฉันไม่มีเงินทอน ไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะแอนออร์โดคอนเซอร์บูลาชันจ์มอนนขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะเวทูรีกูมินอัลชิทิโออะเดรสขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะเวทูรีกูมินอัลเมียฮ็อขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ เวท r รีก m มิน l ลา p ล a จอ